พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าบุญหนักศัก์ใหญ่วันนี้เป็นวันที่17 มกราคมพุทธศักราช2558เมื่อวานเป็นวันครูนะหลวงพ่อได้ไปฉันอาหารคณะครูบาอาจารย์นิมนต์ไปฉันที่โรงเรียนยูทองพิทยาคมโรงเรียนประจำอำเภอนายุงแล้วก็มีคณะครูบาอาจารย์ทั้งมัธยมทั้งปถม แล้วก็มีท่านผ อ, อ, อเขตสพออเทเขตสี่านผือมาเป็นประธานฝ่ายครูแล้วก็มีท่านนายอำเภอนายุงแล้วก็ผู้กำกับที่ท่านเพิ่งย้ายมาใหม่ๆ ม, ม, มัดๆแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทั้งนายกองบตรแล้วก็ครูบายจารย์ที่กเกษียณอายุ มามากเมื่อวานดูดูแลสามสามร้อยกว่ารู้สึกว่าครูบาอาจารย์ในส่วนรัศการให้ความสำคัญในวันครูแต่หลวงพ่อก็ได้ให้แนวความคิดหลายอย่างเมื่อวา น, น <c oughs> แล้วก็วันพรุ่งนี้ เป็นวันข้อพรอบวันมรณะภาพหลวงปู่ล่าวัดผูเจาก้อที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแล้วก็วันที่สิบเก้าเป็นวันมรณะภาพหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อที่ ใ, น ใ, น ใ, นในกล้กันมรณะภาพคนละวันกันเพราะนั้นหลวงพ่ อ, องคงจะได้ปลายคงจะได้ไป ในงานวันครบรอบทั้งสององค์หลวงปู่แต่องค์หลวงปูจ่จำใช้สับสับมาก็ว่าไม่ได้จัดงานใหญ่ปีนี้เพียงแต่จัดงานในคณะสิทธิ์วงแคบเพราะว่าไม่พร้อมที่จะจัดงานแต่หลวงปู่ล่านกะ็คือตามปกติคณะสัาทายาญาติโยมมาก็ ตอนรับขับสู้ตามปกติแต่ที่เผ็ดผิดปกติก็ตรงที่คณะกรรมการที่เสนอมาเมื่อปีที่แล้วบอกว่าการถวายจจตุปัจจัยพระสงฆ์รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะว่าพระเยอะออต่างมาต่างถิ่นต่างแดน ปีนี้จะพูดยังไงหลวงพ่อก็ให้มีแต่ฟังฟั ง, ฟงฝ่ายคณะสงฆ์ทางนู้นแต่ถึงยังไงถึงยังไงก็ขอนิมนุ์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเอาคืนวันที่18บประมาณสองทุ่มหรือทุ่มครึ่งหลวงพ่อคงถ้าไม่มีอะไรก็คงจะ ไม่เจ็บไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คงจะเดินทางไปวันพรุ่งนี้ลหละวันที่ส8ปพอไปถึงแล้วตอนเย็นก็คงจะมีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็คงจะมีการแสดงธรรมปารภงานแต่ถึงยังไงก็หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจิตจะลักษณะอะไรมากเพราะว่าองค์หลวงปู่ท่านก็แสดงทำโปรดลูกหลานในถินนั้น แล้วก็ธรรมเทศนาของท่านก็มีมากมายที่จะแสดงให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังแต่หลวงพ่อไปกันในฐานะลูกลูกห ล, ลานหลานลูกของหลวงปู่ไปก็มีจะไปสงเสริมแนะนำบอกกล่าวตักเตือนย้ำเตือนพวกน้องๆทั้งหลาย อ, าอย่าตั้งอยู่ในประมาทอยู่ในให้อยู่ในโอวาทขององค์หลวงปู่ ีแต่ไปย้ำเตือนลักษณะอย่างนั้นะเพราะว่าพี่น้องไปเจอไปพบกันถ้าห่างเหินกันเกินไปก็ดู ด, ดูแล้วก็จะห่างกันเกินไปหลวงพ่อพอไปได้อยู่หลวงพ่อก็คงคงไปแล้วกังานของหลวงอาก็เหมือนกันงานหลวงปู่จามทางพี่น้องคณะสิทธิ์พูกเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิงเจ้าอาวาส ที่แทนหลวงปู่เขาก็บอกว่าปีนี้คงจะไม่จัดอะไรมากแต่สุดแท้แต่เราก็ไม่ได้ขายันขายยอหรือว่าเป็นเจ้ากี่เจ้าการเปียวเอาจัดก็จัดไม่เป็นไรไม่จัดก็ไม่เป็นไรเพราะหลวงปู่ทั้งสององค์ท่านก็ไปดีแล้วละ่ะท่านคงจะไม่มากินข้าวแจก กับลูกกับหลานพวกเราท่านทั้งหลายหรอกพวกเราจะทำหรือไม่ทำกท่านก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะครับนักทายาิโยมลูกหลานทุกคนที่พูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็รีบทำเอาซะเราอยากจะทาเราจะได้บุญประเภทไหนเราจะให้ทานจะเต็มกำลังความสามารถของเรา เราจะรักษาศีลเราก็รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เราจะภาวนาเราก็พยายามภาวนาของเราเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเมื่อเราตายไปจะเป็นระยะเร็วๆหรือวันนี้แล้วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันตายโดยประสบอุบัติเหตุ เรื่องต่างๆก็ตามเราจะไม่ได้เสียใจไม่ต้องคิดไปพึ่งพาอาศัยลูกหลานเ อ, อเผลอๆลูกหลานทะเลาะกันอีกคนนั้นออกน้อยคนนี้ออกมากกว่าจะทะเลาะกันกว่าที่จะทําได้องค์หนึ่งเล่นเล่เล่นเลี่ยมเล่นแง่เล่นมุมอออองอนออกันทะเลาะกัน ในลูกศิษย์ลูกหาถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้สร้างคุณสังสมคุณงามความดีไว้ไปคอยตอนไปคอยรับบุญกุศลจากเขาเหล่านั้นพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันคอยเถื่อนพวกลูกหลานทะเลาะกันอันนี้พวกเราไม่ต้องคิดอย่างนั้นพวกเราทำมาแล้ว ใส่จิจใส่ใจของพวกเราแล้วลูกหลานสู้เจ้าจะทะเลาะกันทะเลาะกัน thời. เถอะสู้เจ้าจะทําก็ไม่ทําก็ไม่ข่าก็ไม่ว่าอะไรอย่าทําเสเลยดีกว่าข่าทำมาแล้วล่ะลูกหลานาพวกสู้เจ้าทั้งหน้าโ ง, ง่ทั้งหลายแล่เอย่าไปหาคิดทําแล้วนะให้ทะเลาะกันอยู่นั้นให้เล่นเล่ยเล่นเลี่ยมเล่นแง่เล่นมุมกันอยู่นั่นข้าไม่ได้สนใจหรอกสู้เจ้าจะไปทํา อย่าไปทะเลาะกันนะองถ้าหากว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีแล้วนะต้องเป็นอย่างนั้นนะในพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะเป็นอย่างนั้นมีอะไรทาเอาซะขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อตายไปแล้วมันต้องพึงพาอาศัยเขาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราใช้ให้เขาทาอย่างงู้นทำอย่างนี้ ยังมีเล่เหลี่ยมยังมีแง่มีมุมมีเรื่องนั่นเรื่องนี้กระทกกระแทดทําความไม่พอใจอให้เราได้เห็นแต่เมื่อเราตายไปแล้วจะยิ่งกว่านั้นไปอีกเพราะนั้นเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเขาเราทำเอาเองมีอะไรเท่าที่เราจะทำได้อัตหิอัตโนนาโถตนแลไปิ่พึ่งของตน โกหินาโถโปรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรานะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านน ะ, ะการทำบุญทำทานเนี่ยมันไม่ใช่แต่ทำทานอย่างเดียวนะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตั้งใจภาวนาให้มีสติอยู่กับตัวเองนั่นแหละล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลยิ่งกว่าให้ทานเสอีก แต่ว่าให้ทานนี่กัเป็นเครื่องเสริมถ้าว่าเราไม่มีการทำบุญทำทานเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราก็จะเป็นผู้ไม่อุรมสมบูรณ์ด้วยด้วยปัจจัยสี่เพราะนั้นเรื่องการทานนี่กเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเป็นอยู่ของเราในอนาคตเรื่องเรื่องวิญญาณและเรื่องใจของเราหรือว่า บุญกุศลที่จะติดตามจิตใจของพวกเราไปสู่ประโลกนะไปพบหน้าชาติหน้านะกันเรื่องทานเรื่องศีลก็เป็นของที่จะต้องเดินตามแต่เราจะเอาแต่สมาธิหรือศีลอย่างเดียวก็ไม่ไม่น่าถูกหรือเราจะพึ่งพาแต่ทานอย่างเดียวก็ไม่น่าจะใช่อีกเหมือนกันทำไปตามอัตภาพตาม เรื่องของเราที่เราได้ทำไว้แล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถึงยังไงก็ตามการทำบุญทำทานในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาอยู่ชั้นดาวดึงพอพระองค์เสด็จขึ้นไปถึงใหม่มีเทวบุตรเข้ามากราบพระพุทธเจ้าเป็นภูม เป็นผู้มีบุญหนักศักใหญ่ใหญ่คือเทวบุตรท่านนี้ท่านไปขึ้นไปอยู่ชั้นดาวดึงนมนานแล้วก็เป็นผู้มีบุญหนักศัก์ใหญ่คือท่านได้ทําทานไว้ในในระหว่างศ า, น า, ง า, งาสานาของพระพุทธเจ้าของเรากับศาสนาของพระพระพุทธเจ้ากัจจปะในระหว่างท่านทําบุญนี่แหละตั้งโลงทาน เป็นโยน์ตังงลงทานเป็นโยต์เวลาคนมาทำบุญทาทานทำใหญ่อั น, นี้สงแห่งการทานพอตายขึ้นมาท่านเขาไปสู่เป็นเทวบุตรอยู่บนชั้นสวรรค์พอท่านมานั่งใกล้พอต่อมามีเทวเทวบุตรองหนึ่งเข้ามาอีก พอเข้ามาข่าวนี้เทวบุตรองค์ที่มานั่งก่อนถอยถอยห่างออกไปอแต่สู้เทวบุตรองค์นี้ไม่ได้เทวบุตรองค์นี้มีบุญหนักสักใหญ่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าเทวบุตรองค์ก่อนอแต่นี้เท ว, วดาทั้งหลายเขาก็เลยถามว่าทําไมเทวบุตรสององค์หรือว่าท่นานหลายองค์ พอองค์หนึ่งเข้ามาองค์หนึ่งก็ขยับออกไปให้พราเทวคุบุตรต้องหลีกเอหลีกให้องค์ที่มีบุญหนักสักใหญ่เข้าไปใกล้กว่าเพราะว่าเหม claro. ือนกับอผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเนี่ชาวบ้านเข้ามาผู้ใหญ่บ้านเข้ามาก็ต้องมาอยู่ใกล้ใกล้หลวงพ่อมากกว่าชาวบ้านก็ต้องถอยออกไปพอกำนันเข้ามาเนีอยผู้ใหญ่บ้านก็ต้องถอยออกไปถ้านายอำเภอเข้ามานียกำนันก็ต้องถอยออกไป ท่านท่านผู้ว่ามาเนี่ย น, นายอำเภอก็ต้องถอยออกท่านรัฐมนตรีเข้ามาเนี่ยท่านผู้ว่าก็ต้องถอยออกนะลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้เทวดะเทวบุตรก็มีลักษณะอย่างนั้นน่ะทีนี้อพระสงฆ์ทั้งหลายหรือว่าพระองค์ก็บอกเทวเทวดาก็ถามว่าทําไมเ ท, ทวบุตรองค์นี้ท่านทําทํากรรมอันไหนไว้ในอดีตนะ ท่านจึงมเีเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่เทวบุรองก่อนก็ว่าข้าพเจ้าไดา้ทำบุญเลี้ยงคู่คนทั้งหลาย เ, าเป็นกิจเป็นโยต์ลงทานทั้งหลายเนะี่ยทำยาวเจ็ดมือกันเราตั้งรงทานลักษณะนะี้ใครมากเลี้ยงคนเพราท่านรวยนะแต่ว่าเทวบุรองที่เข้ามาที่มีบุญหนักกว่าองค์นั้นอีก ได้ทานบริจาคใส่บัดพระอนุรุทธะเถระเพียงข้าวเพียงทับทีหนึ่งฮะเพียงข้าวเพียงทับทีเดียวแต่ว่าบุญกุศลมหาศาลฮะสรุปแล้วก็เหมือนกับถูกหวยแจ็คพอตลักษณะอย่างนั้น่ะไอ้คนหนึ่งทํามาค้าขายอพอแรงแต่ไม่รวยแต่คนที่ทามาเป็นเป็นหมื่นเป็นพันล้านเข้ามา รวยเพราะอะไรพระองค์ก็บอกว่าเทวบุตรท่านนี้เนี่ยพระอนุรุทธะเทระท่านออกจากนิโรธสมาบัติพอออกจากนิโรธสมาบัติจากนั้นท่านก็บินทะาบาทปโปรตคนคนนี้คนคนนี้ก็เลยใสายบาทพระอนุรุทธะเพียงทัพผีเดียวพระอนุรทธะก็เลย เทวบุตุองค์นี้ก็เลยพอตายจากนีก้คือไปสู่สวรรค์เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่กว่าเทวบุตรองค์ที่ทาบุญมากๆนั่นสรุปแล้วก็คือการทาบุญในในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่มันหาได้ยากที่ว่าเราจะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ออกจากนิโรธสมาบัติ แล้วกพระอรหันตสาวกที่ออกจากที่โรธสมาบัติอันนั้นเป็นเป็นผู้มีเป็นผู้มีบุญมากนะผู้ได้ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ของหาทำได้ง่ายแต่ว่าเมื่อทำเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นบุญกุศลเพราะฉะนั้นพรกองบอกว่าการทำบุญเหมือนกับเราหวานพืชลงในเนื้อนาเนื้อนาดี ที่มีปุ๋ยมีน้ำพอเหมาะดินดีแล้วก็หว่านพืชลงไปถึงจะไม่มากก็ได้รับผลเต็มเม็ดเต็เมหน่วยลวงข้าวก็สมบูรณ์แต่ถ้าว่าพวกเราได้มาแล้วก็หว่านไปเรื่อยถูกย้าวย่าหปลาย่าวย่าขาบางท้องนาบังก็ได้บางเสียบางแต่ถึงยังไง ก็ดีกว่าไม่ทําแต่ว่าทํำเข้าไปแล้วก็ได้ผลแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนกับเนื้อนาที่ดีที่เราปรับพื้นสถานที่ไว้เราใช้ข้าวปลูกไม่นะไม่มากแต่เราก็ได้ผลนี่แหละอันนี้ก็คือพระองค์ได้เปรียดได้เปรียบเทียบอย่างนั้นเหมือนกันทายกปฏิคาหกทายกคือผู้ให้ปฏิคาหกก็คือผู้รับถ้าว่าผู้รับเป็นผู้มีศีลมีธรรม เป็นพระอริยะหรือว่าเป็นพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะตามพระไตรปิฎกที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ที่เราพูดในหลวงพ่อพูดกันอ้างอิงถึงพระไตรปิฎกที่ท่านได้พูดได้กล่าวได้ตรัสเอาไว้นี่แหละถึงยังไงก็ตามทีมาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายในยุคนี้สมัยนี้ การทำบุญอย่างนั้นหาได้ยากแต่ถึงยังไงให้พวกเรารักษาศีลศีลห้าของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ข้าพเจ้าจะงดในการฆ่าข้าพเจ้าจะงดในการขโมยข้าพเจ้าหนึ่งดเคารพสามีภรรยาคนอื่นข้าพเจ้างดในการโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงข้าพเจ้างดในการดื่มสุราเพียงแค่นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะนั้นการทาคุณงามความดีมันไม่ใช่มีแต่เรื่องฐานอย่างเดียวรักษาศีลก็ใช่นั่งภาวนาก็ใช่เพราะนั้นพวกเราอย่าไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นให้คนอื่นทาให้เราเรายังมีชีวิตอยู่เราได้พบพระพุทธศาสนาได้เราได้พบประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราจะไม่ได้ทําไม่ได้มาวัดเราทำอยู่ที่บ้านเราก็ยังทาได้ เราประกอบคุณงามความดีในบ้านของเราก็ทําได้รักษาศีลในบ้านแต่ถึงยังไงก็อย่างไหวอีกเหมือนกันนะนะพอในบ้านของเรามันสิ่งแวดล้อมมันมากมายหลายๆอย่างจะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนกับเรามาตั้งอกตั้งใจมารักษาศีลไหวพระนั่งภาวนาปฏิบัติดูตามลําพังมันก็จะให้เหมือนอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะนั้นบางคนก็ถามว่า การภาวนาอยู่ทางคราวาัตนี่ได้สำเร็จมรรคผลสำเร็จมรรคสาเร็จผลได้ไหมมีไหมหลวงพ่อมีแต่มันยากาถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับขนวัวกับเขาวัวลักษณะอย่างนั้นแหละขนวัวมันมันมันหายากไอ้เขาวัวมีอยู่สองเขาขนะวัวมันเต็มตัวเขามันนี่ก็เหมือนกัน ที่เป็นฆราวาสญาติโยมที่จะเป็นโพเป็นเขาขึ้นมานะ่ยมันยากแต่มันก็มีอยู่อที่ท่านภาวนาได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นฆราวาสแต่ถึงยังไงถ้าว่าเป็นเข้ามาบวชมีมีหน้าที่อันเดียวอตัดสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงอถึงขนาดนี้มันจิตใจมันยังอไปในออกไปสู่ฆราวาส มากต่อมากเหมือนกันเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของได้ไง่ายๆถ้าหากว่าเราแช่อยู่กับคาราวาทเฉลยเนะี่ยท่านก็เลยเปรียบเทียบว่าเอา่อเหมือนไม้ที่มันแช่อยู่ในน้าเอามาสีไฟมันสีไฟไม่ได้เอ่อแต่ไม้มันอยู่บนบกอ่แต่มันยังสดมันก็สีไฟไม่ได้ ทำไม้อยู่บนบกแต่มันแห้ง น, นั้นสีไฟได้สีให้เกิดเป็นไฟได้นั้นก็เปรียบเทียบไม้อยู่ในน้ําไม้สดอยู่ในน้ําก็คือเราเป็นฆราวาสญาติโยมแล้วก็แช่อยู่ในวัตถุตาหูจมูกร่างกายใจลาบยศสนะเสริญสุขจะมาภาวนาเนี่ยจะพ้นทุกข์มันยากาแต่ถ้าว่าไม้อยู่บนบก แต่มันยังสดด้วยอย่างกเหมือนกับเราเข้ามาออกมาข้างนอกกว้เจริงยุแต่ใจของเราไปฝักไใยส่งใจเข้าไปถึงเรื่องลาบเรื่องยศไปใยใจในเรื่องอกิเลสทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายราคะโทสะ อ, อยากจะเป็นคราวาัตอยากจะร่ำอยากจะรวยนะแด้ส่งจิตไปเหมือนกับเราออกมาอยู่ข้างนอกแต่เราส่งใจเข้าไปเหมือนกับไม้ ไม้ที่มันอยู่บนบกก็จริงแต่มันมันสดด้วยด้วยยางฮมันไม่สามารถที่จะสีให้เป็นไฟได้แต่ถ้าหาว่าไม้อยู่บนบกแล้วเป็นไม้แห้งฮะก็พร้อมที่จะสีให้เป็นไฟได้อันนี้น่ะสรุปแล้วก็คือเมื่อเราออกมาบวชเออออกไปมาเป็นนักพจนักบวชแล้วเราพยายามทําจิตใจของเราให้เป็นนักพจนักบวช ให้ห่างออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะก็ทําให้เร า, เาได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้นี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านใดบอกและแนะนําหลายเลหลายเหลี่ยมหลายแง่หลายมุมถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วนะเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือที่หลวงพ่อจะไปในงานของหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอา อย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่ถึงยังไงก็ตามท่านไม่ได้มาข้องแวะกับพวกลูกหลานที่พวกทูตเจ้าจะทำหรือไม่ทำท่านก็ไม่ได้่าอะไรเพียงแต่เรานะ่นึกเชิดชูบูชาคุณงามความดีของท่านและเลือกถึงท่านปีหนึ่งและเลือกถึงท่านเมื่อวันเมื่อวันมรณะภาพมาถึงเราก็ทําบุญรวมญาต ผีๆน้องๆงลูกๆล้ลานๆคณะศรัทธาญาติโยมที่รู้จักมักคุนเคารพนับถือเลื่อมใสในองค์ท่านมารวมกันอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปตั้ง2557ปีถึงวันวิสาขาบูชาเป็นวันลำลึกถึงที่พระพุทธเจ้าประสูติประสูตริรตัตโปรินิพานคือวันเดียวกัน พอถึงวันนั้นพวกเราทั้งที่พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เคยเห็นพระองค์พบมันตรงสองพันกว่าปีแต่เราก็ให้เคารพในหลักธรรมคําสอนที่ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามากันกรองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วเรายอมรับว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาตธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว เป็นศีลเป็นธรรมจริงเรายอมรับ เ, เพียงศีลหา้านีเนเราก็ยอมรับท่านตรัสว่าเรื่องทานเรื่องศีลเราก็ยอมรับเรื่องอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาเป็นการแนวความคิดทั้งหลายทั้งปวงเราก็ยอมรับในเมื่อเรายอมรับแล้วก็นับถือว่าพุทธังทำรร ม, มังสังขังสระนางคัตฉามิเนี่ยข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นเราก็ได้ลำลึกถึงเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงวันวิสาขาบูชาเนี่ยเราก็ลำลึกถึงแล้วก็มารวมกันทาพิธีไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคำอนอบน้อมแล้วก็กล่าวค้ำคำสักการะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง นี่แหละแล้วพระพุทธเจ้าที่ท่านท่านได้อะไรจากเราท่านได้อะไรไหมท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสาวกทั้งหลายเข้าสู่นิพพานไปแล้วแต่พวกเราฐานะลูกหลานเห็นว่าเป็นผู้มีพระคุณเราก็แสดงออกซึ่งความเคารพสักการะในพระคุณเหล่านั้น นี่แหละอันนี้ก็คือเราแสดงเพียงเท่านั้นเองอย่างนั้น ก, ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็อยากนั่นเหมือนกันนะ่ะคร้ายๆว่าหลวงพ่อจะไปอย่างนี้นงานหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะเ อ, อชักชวนเออลูกศิษย์ลูกหาแลว้วบอกคนในวัดไปด้วยมันไปก็มันก็ไปอย่างนั้นอะไปทุก มันหนาวฮะแต่หาว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะไปหลวงพ่อก็ไม่ไม่ว่าอะไรเนอะแต่ลูกใครอยากจะไปหรือว่าใครอยากจะไปในงานนี้ก็บอกบอกหลวงพ่อก็ได้เมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าไม่มีจะแสดงว่าหลวงพว่อก็คงไม่มีอะไรไปก็เป็นจะพระไปสักองค์สององค์กับโซเฟอร์เท่านั้นแนหะไปก็มีอะไรหลวงพ่อก็ไปสมทบ แต่หลวงพ่อก็ไดบอกไปแล้วนะอหลวงพ่อบอกว่าเอออาหารโรงทานให้ทา้งนู้นเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาจะตุกปัจจัยไปช่วยเลี้ยงคู่เลี้ยงคนเลี้ยงแขกเลี้ยงพะระเลี้ยงเจ้าด้วยหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อกันนันนะต้องมองมอ ง, มองไปเนะเรื่องเรื่องปากเรื่องท้องเนะี่ยเรื่องอาหารเรื่องทำปุลทำทานหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะไปดูดแล้วก็จะไปสซทเทศได้จบจบแล้วกับ ก็ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะถือว่างานนี่เป็นงานพ่อเป็นงานปู่เป็นงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสองพระ อ, องค์นะหลวงพ่อก็ให้ความเคารพคารวะ เ, เป็นอามิชบูชาด้วยเป็นธรรมบูชาด้วยธรรมบูชาก็คือการปฏิบัติหรือว่าการแสดงออกถึงการแสดงธรรมการแสดงความคิดเห็น กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายอามิจชูบูชาคือเนี่ยควรจะมีปัจจัยไปเลี้ยงในงานมีโรงทานาสำหรับเลี้ยงคู่คนสำหรับเลี้ยงพระสงฆ์ที่ไปในงานาทั้งสองงานนี่แหละอั น, นี้หลวงพ่อก็คงจะได้ไปลักษณะอย่างนั้นนะคณะจทธายญาติโยมลูกหลานเอาตอนนี้ไปรับพร